มันเป็นแบบโซ่สองข้างแไปล่างแบบนี้นมีกี่ต้นก็ถามต้มหม อ, <l ots> อะมีกี <l ots> ต่ต้นคุณ น, นึกไปตอบร้อยต้นคุณตอบมกต้นคุณตอบสีพระจันทร์รหัสทนี่อะไรตอบสีต้นอะถูอะมีสีต้นนี่ตอบร้อยต้นนะมันเกิน <l ots> เป่นเห็นทีเห็นเขาถือคะแน่เขาเ็นเหียดไม่ฟังเทศเดีวเปนใหม่ดกว่าโอเคเซียนวันนี้เป็นวันอะไร ท่นอะไรในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอะไรก็ไกลมาขาบูชาขอไขวิสาขบูชาขอควายอาสารหับูชาเป็นวันอะไรวันนี้วิสาขบูชานะน้าอิงล่ะวันนี้วันอะไรก็ไกลมาข้บูชาขอไขวิสาขบูชาขอปวายอาสารหัตบูชา เก่งทั้องต้องต้องมีช้อยอะเนาะเด่นเลยเป็นสองคนนั่นเองแล้วจะถามต่อยว่าวิสาขบูชานี่เป็นวันสำคัญที่มีความพิเศษอย่างไรอันนี้ให้ตอบแบบปรนัยอัตนาใยตัดตอบแบบอัตนาใจ กอมังนี่ถามว่าเคยถามว่าพระพุทธเจ้าประสูตยที่ประเทศอะไรไปถามมาก่อนลวมั่งนี่ยะเทศอะไรนะ <ไป S 1> เอเ อ, เ, อเนปาลปเนปาลนี่คือประเทศที่ปัจจุบันแ ต, แต่ถ้าเป็นอดีตการศึรกษาก่อนน้นก็คืออินเดียตอนนี้ไม่ได้แบ่งๆๆๆแบ่งแล้วก็ อใช่ใช่อันดีเป็นเนปาลเป็นรันหนึ่งเป็นรัฐของขึ้นตรงต่อเจ้ากบิลพัทแต่ก่อนนีเป็นอินเดียใช่ตอนแบ่งเป็นเนปาลอนที่เราไปเนี่ยเป็นแอันนี้บันทึกหรือยังนี่เอาบันทึกแล้วคุยคุยกันไปตั้งนาน ในวันสําคัญวันนี้เราจะทําการบูชาในวันวิสาขาบูชานี้อย่างไรในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิยชนเราเราควรจะทําการบูชาวิสาขะอย่างไรคําว่าวิสาขาบูชาคือวันาการบูชาในเดือนวิสาขะคำว่าเดือนวิสาขะคือเดือน6ถูกต้องไหมเดือนนี้คือเดือนห วิสาขะในในภาษาของอินเดียคือเดือน6เป็นการบูชาในเดือน6เราจะมีการบูชาเดือนเดือนอะไรบ้างเดือนเดือน3คือมาฆวิสาขะเดือน6อาสาลหาเดือนเดือนอะไรอาสาลหาเดือน8ใช่ไหมนี่คือเดือนที่เป็นเดือนแห่งความสําคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้คําว่าบูชาที่เนี้ย ถามพวกเราว่าคําว่าบูชาในทางพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงตรัสให้พุทธบริษัททําการบูชานั้นพุทธบริษัทควรจะบูชาอย่างไรจึงจะถูกต้องตามพุทธประสงค์ในสิ่งที่องค์ทรงสอนให้บูชาเ ร, ราค ว, วารจะ บ, บูชาอย่างไรปฏิบัติบูชาใช่ถูกต้องแล้วคาว่าปฏิบัติบูชานั้นปฏิบัติบูชาอย่างไร เดินตามมักแปปฏิบัติบูบชาคือการเดินตามมักแปดถูกต้องอีกนั่นแหละคือการเดินตามมากักได้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระตถาคต ด, ด้วยได้ชื่อว่าเป็นการอบรมฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองด้วยไ ด, ได้ทั้งสองประการหมายถึงว่าเราผู้เป็นพุทธศาสนิยชนนั้นประพฤติตนตามหลักแห่งมักแปแล้วการประพฤติตนอย่างนั้นนั่นเอง <Jub ilee> <use>. <S 1> <S 1> ได้ชื่อว่าเป <rene> hmm, ็นการบูชาพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองและไม่มีหลักหรือแนวทางใดเลยที่จะฝึกฝนอบรมพุทธศาสนิกชนให้พ้นจากความทุกข์ได้นอกจากมรรคแปดการที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาพระตถาคตโดยการบูชาอันเลิศ การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมทูบเทียนเครื่องสักการะต่างๆยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาอันเลิศเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นการกระทาศาสนาให้สืบต่อแต่หากบุคคลใดก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติบูชาบูชาโดยการประพฤติตนปฏิบัติตามหลักแห่งมรรคแบบบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระธาตุพจน์เพราะนั่นจะทําให้พระพุทธศาสนาได้รับการสืบต่อสืบทอดไป พราะนั้นพุทธประสงค์ของพระงค์มีความมุ่งหมายเพื่อจะให้พระพุทธศาสนาสืบต่อทางด้านการปฏิบัติไม่ได้ให้สืบทอสืบต่อทางด้านการสักการบูชาด้วยวัตถุเข้าของหมายถึงว่าหลักการของพุทธศาสนาโดยหลักใหญ่ๆก็คือการปฏิบัติบูชานั่นเองทีนี้ในคำว่ามักแปดนั้นแนหะเราจะลงลึกไปถึงรายละเอียดของคําว่ามักแปดนั้นคําว่าประพฤติตนตามมักแปดนั้นประพฤติตนอย่างไรจึงจะ อยู่ในองค์ของมรรคหรืออยู่ในเส้นทางของมรรคทำอย่างไรช่ <S <S วยกันตอบใครตอบได้ก็ก็ถือว่าเป็นการสักการบูชาพระพุทธองค์ก็จะได้อานิสงส์ในการสักการบูชาพวกเราถือว่าได้ทาการสักการบูชาพระพุทธองค์อยู่นเวลานี้ห yep นึ่งฟังม ประโยชน์ของการฟังธรรมคืออะไร ฟ, ฟังแล้วจะได้น้อมนำมาปฏิบัติ ก, ตก็เข้าสู่หลักของการปฏิบัติบูชาเพราะถ้าเราจะปฏิบัติโดยขาดการฟังขาดการศึกษาขาดการไต่ตองพิจารณาการปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับหลักความจริงการฟังธรรม หมายถึงการฟังความจริงธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงบางทีเราไม่ทราบอะ่ะอะไรคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงหมายถึงว่าอะไรก็อะไรอะไรที่มันทรงความจริงของมันไว้โดยตัวของมันเองได้มันคืออะไรสิ่งที่ทรงตัวก็บรรจอยู่ตลอดเวลาคืออะไรในความหมายเขาบอทรงตัวอยู่ตลอดเวลาโดยที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าสรรพสิพ่ง ทุกอย่างสัพเพทำมาหมายว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมันมันตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงคืออ น, นิจจงทุกขั้งคือความไม่คมทนถาวรแล้วก็อนัตตาหมายถึงว่าปราศจาก ต, ตัวตนโดยตัวของมันอันนี้คือกฎหรือสภาวะไอไ อ, ไอไกฎหรือว่าสภาวะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติตายตัวที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นเพียงแต่ว่า กฎหรือสภาวะอันนี้มันก็เป็นธรรมะอันหนึ่งที่แสดงออกถึงลักษณะสามและเป็นความจริงอันหนึ่งที่ทรงตัวของมันเองแต่อยากจะถามว่าสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยตัวของมันเองที่แสดงออกถึงสภาวะลักษณะสามประการคือไม่เที่ยงไม่งคงทนถาวรและประ า, าศจากตัวของมันเองสิ่งนั้นคืออะไรที่มันทรงตัว โดยตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับว่าจะมีมนุษย์หรือไม่มีมนุษย์ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีพระพุทธองค์หรือไม่มีพระพุทธองค์ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีโลกนี้หรือไม่มีโลกนี้สิ่งที่ทรงอยู่แล้วในคราวที่ไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวโลกไม่มีพรหมโลกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสัตว์เลี้ยงช้าไม่มีนรกคือไม่มีอะไรเลยไม่มีโลกนี้ก้อนโลกนี้ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเพียงแต่จักรวาลที่เบงกบ้างเปล่าเนี่ยอะไรที่ทรงอยู่ในจักรวาลที่เบิกบ้างเปล่า ใช่ทำทำนี้เป็นภาษาสื่อให้ถึงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงคําว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงคือสิ่งที่ทรงไว้โดยตัวของมันเองด้วยตัวเองไม่มีใครสร้างมันมีอยู่แล้วโดยตัวของมันโดยธรรมชาตินะคําว่าธทำนะไหมคำว่าผู้เรียใช้ภาษาคําว่าธรรมเพื่อสอนพวกเราแล้วก็สื่อให้เห็นสิ่งที่ทรงไว้ด้วยตัวของมันเองอะไรก็ตามที่ทรงไว้ด้วยตัวของมันเองเองอันนั้นคือทำ อันนั้นคืออะไรสิ่งสิ่งคือคืออะไรที่มันอยู่มีอยู่แล้วโดยตัวของมันจิ ต, จตมีอยู่แล้วโดยตัวของมันอะไรอีกธาตุธาตุาทั้งสมีอะไรบ้างดินน้ำไฟลมอันนี้จัดอยู่ในส่วนของรูปหรือน้ำรู ป, ป, ปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่แล้วคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลม ไม่มีปอดโลกมนุษย์นี้ดินน้ำไฟลมก็มีอยู่แล้วโดยตัวของมันเองจิตอยู่ในส่วนของรูปหรือน้ำน้ำจิตอยู่ในส่วนของน้ำในรูปมีสี่ใช่ไหมถูกต้องไหมในในรูปเนี่ยมีสี่คือดินน้ำไฟลมจึงได้ชื่อว่ามหาพูดรูปมหาแปลว่าใหญ่พูดคือ ความมีความเป็นรูปคือรูปที่มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่รูปที่มีอยู่ตั้งอยู่เป็นพื้นฐานของรูปทั่วไปหมายถึงว่ารูปทุกรูปจะต้องประกอบไปด้วยรูปสี่รูปนี้คือดินน้ำไฟลมเป็นรูปใหญ่เป็นฐานของรูปอื่นถ้าไม่มีรูปทั้งสี่นี้รูปอื่นก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ในโลกหมายว่าก้อนโลกก็ไม่มีเป็นตัวก้อนอันนี้ขึ้นมาภาพถ้าไม่มีดินน้ำไฟลม อันนคือในส่วนของรูปมีสีใช่ไหมในส่วนพองนามมีมีเท่าไหร่มีสีคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปสี่นามสี <you 're S 2> เมื่อ <Corin na> มีการอิงอาศัยกันก่อเกิดขึ้นรวมตัวกันขึ้นมาจึงเกิดการอุปัตติอุปัตติคือการอุบัติหรือปุดเกิดภาษา ที่ถูกนํามาใช้เรียกว่าอบปติกะอบปฏิกะคืออุบัตินั่นแหละอุปาติอุบัติผุดเกิดขึ้นเพราะอุบัติมนุษย์เริ่มแรกจึงเป็นมนุษย์อบปติกะอบปติกะคือเป็นมนุษย์ผุดเกิดมนุษย์ผุดเกิดขึ้นโดยการเกิดขึ้นของธาตุทั้ง4ี่คือโลกก่อนมีดินดน้ําไฟลมประกอบรวมตัวกันมาเป็นโลก ทีนี้มีมนุษย์อุบัติขึ้นเป็นอุบัติมนุษย์ก็คือตัวดินน้ำไฟลมกับตัวจิตเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณธรรมทีท่นี่คำว่าธรรมทุกองทรงตัดคําว่าธรรมก็คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยตัวของมันหมายถึงว่าดินทรงความขแข็งแข็มแข็งแน่น แ, แ, แข็งไว้ในตัวของมันน้ําทรงไว้ซึ่งความเหลวเลือดอืบอัก ไฟทรงไว้ซึ่งความร้อนและอบอุ่นลมทรงไว้ซึ่งอาการพัดไปมาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันทรงโดยตัวของมันเองอย่างเงี้ยแน่นอนว่าคําว่าดินเรืองปฐวีธาตุมันต้องแข็งแข็งอาโพรธาต์ต้องเหลวและเอื้ออาภัพเโชธาต์ต้องร้อนและอบอุ่นเพราะนั้นสภาพใดก็ตามที่พูดถึงในลักษณะนี้เรามองเข้าไปในกายแข็งแข็งในตัวของเราคืออะไร เส้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า <c oughs> นี่คือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความแค้นแค่นและแข็งแค้นคือความเข้มข้นความความข้นของมันแล้วก็แข็งคืออาการสภาพที่แข็งกระดูกเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแข็งยังไงทีนี้ สิ่งเหล่านี้คือดินผู้จะใช้คำปัตถเวธาต์คือธาตุดินธาตุดินนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าดินใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวใช่ตน ใ, ใช่สิ่งที่มีชีวิตไหมแต่ทําไมอยู่ในตัวของเราถึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตหละ่ะแล้วทําไมไอ้ไอดินอยู่ในตัวเราทํำไมถึงเป็นสิ่งที่มีชีวิต อ๋อนี่เป็นเรื่องของจิตเนาะจิตเข้ามาครอบครองอจิตเข้ามาครอบครอง อ, อันจิตเรายังไม่พูดถึงเราพูดถึงส่วนลูกก่อนส่วนธาตุส่วนใดก็ตามที่เหลีวเล่อเอือบอาบมองเข้าไปในร่างกายเรามีอะไรบ้างน้ําดีเศรษน้องเลือดมันเหงื่อมันพ่นน้ําตาเปลวบันน้ํำลายน้ำโมกน้ําไถ่ขอน้ำปัสสาวะอันนี้เป็นธาตุน้ําเหลี้ยวเล่อเอืบ <c oughs> น้ํานี้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนหรือเปล่า ไม่เป็นมันไม่เป็นนะเดิมทีมันไม่เป็นนะความจริงของมันมันไม่เป็นมันเป็ น, น, ปนแค่สภาพที่เหลวและเ อ, อิบอาภโดยธรรมนะผูดง่ายๆว่าโดยโดยสัจจะโดยธรรมมั น, นโดยความเป็นจริงของมันธรรมก็คือความเป็นจริงเมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตไฟคือความร้อนและอบอุ่นเรบัตเตโชธาดนี้มีอยู่ในกายเรามองเข้าไปคือความร้อนและอบอุน่นนี่มีอะไรบ้างไฟที่ทํากายให้อบอุ่น ไฟที่ทําการให้สุดโสมไฟท ables, ี mm ่ทําการให้โกลนกระบายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟธาตุไฟนี้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนหรือเปล่าไม่เป็นนะเพราะเราตอบกันเองคือตอบด้วยความรู้ความเข้าใจนะไม่ให้ตอบตอบด้วยการได้ยินได้ฟังมาว่าท่านบอกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนก็ตอบไปตามนั้นอันนี้ตอบด้วยความจริงใช่ไหมรู้จริงใช่ไหมเข้าใจจริงแล้วนั้นแจ่มแจ้งในตัวเองแล้วนะถึงตอบว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเผาความร้อน เป็นอย่างนั้นคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ธาตุลมเรียกว่าวาโยธาตธาตุที่พัดไปมานั่นคือสิ่งที่มันทรงไว้ในตัวของมันเองคือความพัดไปมาอะไรก็ตามที่พัดไปพัดมาในร่างกายเราก็คือธาตุลมมีอะไรบ้างลมพัดขึ้นเบื้องบนมองเข้าไปมองเข้าไปเราจะเห็นอาการเลอะลมพัดลงเบื้องต่ําหายลมลมในท้องโคกขา้ขาวโคกข้าวอยู่ในลําไส้เราลมในไส้ ลมพัดไปตามตัวไอ้ลมพัดไปตามตัวนี่คือลมอะไรลมข้างนอกอันนี้เราพูดถึงกายลมข้างนอกมันเป็นกายเหรอร<ถ>มันเป็นส่วนข อ, องกายหรือเปล <later. S> ่าพูดถึงว่าลมพัดไปตามตัวนี่คือลมอะไรไลมหายใจไม่ใช่ไอ้ลมหายใจก็มีส่วนตองลมหายใจหมายว่าลมพัดไปตามตัวนี่คืออะไรลมที่เราไม่มีการเลือกเลือกนั่นแหะเขาเรียกอะไรลมอะไรลมปาน ลมปานกับลมลมปานกับลมหายใจคนละอย่างกันนะลมหายใจคือเอาเข้าออกลมปานคือมันไหลเวียนอยู่ภายในพัดไปตามตัวเรานะเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ใช้ลมปานนั่นเองเคลื่อนไหวเหยียดคูใช้ลมปานกระพริบตาครั้งหนึ่งก็ใช้ลมปานกระดิกหูครั้งหนึ่งใครกระดิกหูได้บ้างกระดิกไม่ได้แต่มีบางคนกระดิกได้ อันนี้ก็ใช่แ่นนลมปานเขาเข้าไปอยู่ที่นี่เยอะเข้าเลยกระดิ่ได้เ ข, ขสาสั่งลมปานเข้าไปกรดีแต่คนทั่วไปทาไม่ได้ใช่อ๋ อ, อที่บางครั้งบางจุดมันจะดิเองนนอันนั้นก็คือสวนของลมปลานลมปานใช่แไอ้ไปูดป้านออกจากร่างกายไม่ใช่ลมปาน <laughs> มันลมเสียลมเสียลมเสียใช <laughs> ฟังเวเดอร์ไวเสียนกับน้ำกินนี่คือความจริงนะนี่คือความจริงมีส่วนรูปลมเนี่ยมันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไม่เป็นคือไม่เป็นจริงๆนะไม่ใช่อย่าไปหลมเข้าใจว่าเป็นนะไม่เป็นนะชัดเจนนะไม่ใช่ว่าเออไม่เป็นแล้วอีกอีกขณะหนึ่งบอกเอนี่คือตัวเรานี่เอ้าไม่เป็นก็ต้องไม่เป็นตลอดการต้องต้องเข้าใจว่านี้นี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็น อันนั้นมันเผลอใช่ไหมอ้าวมีการเผลอด้วยเหรออะไรทําให้เผลอความหลงผิดความหลงผิดทําให้เผลอมันทําไมถึงหลงผิดทําไมถึงหลงผิดว่านี่คือตัวเราคือตัวชีวิตตัวจิตใจตัวตัวตนของเราละ่ะมันมันไม่ใช่ตัวเราอยู่นั้นเป็นธาตุทาไมเราต้องหลงผิดว่าเป็นตัวเราได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาได้ขาดสติ ทำยังไงถึงจะไม่หาสติตก็ฝึกมองร่างกายให้เห็นเป็นความจริงโดยทำรรขมันมา น, นี่คือการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อกายเราคือมองเห็นความจริงในกายเราโดยความเป็นธาตุในส่วนของรูปนั่นเอชัดเจนเลยเราตอบกันเองว่าไม่ใช่ฉัตบุคคลตัวตนเราเขานี่คือความจริงแต่ในความรู้สึกที่ยึดนั่นคืออุม巴ทานด้วยความหลงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นความจริงจะแก้ความหลง หมายถึงว่าไอา้การยึดเน่ยเป็นผลมาจากความหลงการยึดถือในกายแต่อดีตคืออดีตชาติบางไหนก็ตามที่เราเกิดในแต่ละหกแต่ละชาติมีรูปร่างกายเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เลื้อยานบ้างเป็นพิ พ, พ, พิสัสุรกายบ้างตามการกําเนิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นในรูปประกายอย่างนี้ยึดสืบเนื่องมาข้ามภพข้ามชาติฟังทำก็ผ่านหูเฉียวหูไปแค่เล็กๆน้อยนอยเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ในจิตแต่มาเที่ยวนี้ชาตินี้มาฟังแล้ว กูจะเอาจริงเอาจังรล้ววะทีนี้ยังไงมันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแน่แมันเป็นธาตุพิจารณาตามธรรมอย่างนี้ให้ชัดเจนแจ่งแจ้งมากเข้าแค่ความรู้ในระดับธรรมดานี้เรายังตอบตัวเองได้เลยว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นดินน้ำไฟลมเราว่าตอบตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อไถถอนอาการแห่งการยึดด้วยแรงอุปทานนี้เพราะความจริงคือธรรมจะแก้ไขความหลงคือความไม่รู้ธรรมจะแก้ไขความหลง คือสิ่งที่มันไม่ใช่ทำนั่นเองเพราะอะไรเพราะความเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเรานั้นมันไม่ใช่ทำเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ทรงไปซึ่งความเป็นจริงเพราะอะไรพอเดี๋ยวก็เผากันแล้วนี่ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ทรงตัวตัวนี้ไว้ตลอดกาลนี่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> แต่เผาแล้วเป็นอะไรเป็นดิน <c oughs> น้ําก็ระเหยไปไฟก็ระเหยไปลมก็ระเหยไปนั่นไปตามธาตุใช่ไหมละ่ะแต่ส่วนเป็นดินเราจะเห็นชัดมากที่สุด ล้ดินที่มันถูกเผาแล้วเป็นสัตว์ไหมเป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนไหมนั่นแล้วก็ตอบไปชัดเจนว่าไม่เป็นการตอบอย่างนี้เรื่อยๆเื่อๆื่อยๆมันจะไถ่ถอนอาการแห่งการยึดที่เราหลัเข้าใจว่าเป็นเราค่อยๆคลายค่อยๆคลายค่อยๆคลายเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงที่เขาว่าเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ธรรมธรรมคือความจริงคือดินน้ำไปลวมเป็นความจริงเป็นสัจจะโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่เป็นสัจจะที่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงยังไม่ดินก็แปรปรวน ดินก็ไม่คงทนถาวรคือคือแปรไม่ไม่คงที่อยู่ในตัวของมันดินก็สลายตัวคือไม่มีตัวตนของมันแต่ก็เกิดการรวมตัวกันมาอีกเข้าใจไหมเกิดการรวมตัวกันมาอีกแปรป้วนอีกไม่คงทนถาวร อ, อีกแล้วก็สลายอีกเกิดการรวมตัวกันมาอีกแปรปรวนอีกอย่างเงี้ยไม่คงทนถาวร อ, อีกแล้วก็สลายอีกอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็น ไ, ไหมมันก็แค่นี้ นี่คือเรามองโดยทำนะโดยโดยมองด้วยความเห็นความจริงนะหมายว่าเห็นธาตุโดยความเป็นจริงคือเป็นธรรมะแล้วก็เห็นสภาวะแห่งธาตุนั้นว่าไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรแล้วก็ไม่มีตัวตนคือความแตกสลายเพราะฉะนั้นอาการที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นเพราะเราไม่ได้เห็นสภาพแห่งสภาวะแห่งความจริงเราจึงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะเราไม่เห็นอาการแห่งความแตกสลายเราจะเห็นตอนตายคือแตกสลายตอนตายนู่น เพราะฉะนั้นในส่วนแห่งกายที่เรายึดนั้นยึดเพราะความหลมผิดด้วยอํานาจอุปาทานจะต้องใช้ธรรมะคือความจริงนี้เข้าไปแก้ทีนี้นี่คือในส่วนของกายเราพูดแล้วในส่วนของรูปทีนี้ในส่วนขอ ง, น, น, น, ของนามนามคือตัวจิตใช่ไหมจิตมีกี่อย่า ง, ส, งสี่อย่างที่ประกอบจิตกายมีสีจิตมีสีนะสี่อย่างคือ เวทนาเวทนามีอะไรบ้างสุขถามว่าความสุขเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าไม่เป่ความทุกข์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าพวกเราตอบกันเองนะในไม่เป็นนะจริงๆนะแต่เวลาปวดขึ้นมาก็อู้อู้อู้ไมเราปวดจังฮะหลงอีกแล้วนี่คุบอกหลงหลงยึดว่าอู้อเราปวดก็เวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงที่มันต้องเกิดขึ้น เขจะเข้าใจนะว่ามันเป็นความจริงนะเวทนาจะทรงไว้ซึ่งความจริง3ประการธรรมะคือความจริงเวทนาจะทรงไว้ซึ่งความจริง3ประการทรงความจริงในด้านของความสุขหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาทรงความจริงในด้านของความทุกข์หนึ่งเรียกว่าทุกข์เวทนาทรงความจริงในด้านของความไม่สุขไม่ทุกข์หงเช่นขณะนี้เราทรงความจริงในด้านของความไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเวทนาในส่วนประกอบจิตเวทนานี้ประกอบกับจิตเท่านั้นสุขจะเข้าไปประกอบกับจิตเพื่อให้จิตได้รู้ได้รู้อาการสุข พไปประกอบกับจิตเพื่อให้จิตรู้อาการพกกายนั้นไม่ได้รู้อะไรหรอกกายไม่ได้รู้สุขรู้ทุกนะเส้นผมถอนออกมาแล้วเอาไปเผาไฟมันร้อนไหมเส้นผมไม่ได้บอกว่าร้อนเพราะมันไม่มีจิตอยู่ในนั้นแต่อะไรก็ตามมีจิตอยู่เวทนาจะเข้าไปประกอบจิตเวทนาอาศัยกายเกิดขึ้นก็จะเข้าไปประกอบกับจิตเห็นไหมเวทนาอาศัยจิตเกิดขึ้นก็ประกอบกับจิตหมายถึงว่าถ้าเรามีเวทนาทางกายเป็นสุขปั๊บเข้าไปประกอบกับจิตจิตรู้เป็นสุขในกาย เมื่อจิตรู้เป็นสุขในกายเกิดความพอใจในความสุขอันเกิดจากกายอย่างนี้เป็นสุขเวทนาในกายในจิตขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือโสมนัสยินดีโสมนัสคือพอใจยินดีเข้าใจไหมหมายว่าเมื่อเกิดเวทนาทางกายแล้วมันจะกอให้เกิดเวทนาทางใจด้วยถูกต้องไหมเวทนาทางกายเรียก ว, ว่าสุขเวทนาเวทนาทางใจเรียกว่าโสมนัส เวทนาอันเกิดขึ้นทางกายปุ๊บส่งไปประกอบกับจิตคือส่งให้จิตเข้าไปรับรู้รับทราบแล้วสงผ่านความรู้เนี่ยรู้ในเรื่องของเวทนาเนี่ยเข้าไปหาจิตพอส่งผ่านเข้าไปหาจิตจิตรับทราบแล้วปับ๊บจิตไม่พอใจเป็นอะไรโธมนัตเห็นไหมมันเวทนาทางกายปุ๊บสงผลให้ใจโ ท, โทรมโธมนัตได้เกิดเกิดเกิดความไม่พอใจ อ, อุทุกขมาสุ ข, ขวเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์ในเวลานี้ ทรงผลเข้าไปให้จิตจิตรับทราบแล้วจิตก็เป be right? ็นอุเบกขาใช่ไหมเฉยๆใช่ไหมอุเบกขาเป็นเวทนานะเวทนาเป็นการเฉยๆทีนี้ความจริงเวทนาจะต้องแสดงออกถึงความจริง3าประการเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่เด็ดขาดในความเป็นจริงเขาบอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนไหนเอาตัวตนมาเวทนามาให้ดูหน่อยเอาตัวตนมาดูให้ไม่ได้เลย เพราะมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นแค่อาการแสดงออกอาการที่แสดงให้ให้เราได้รู้รับทราบทีนี้พระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็รู้ในเวทนาทั้ง3านี้เมื่อพองศ์รู้เวทนาทั้ง3านี้ว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทางกายท่งผลให้สมนัสดีใจพึงพอใจแต่จิตของพุทธองค์นั้นกําหนดรู้เวทนาทั้งสามว่าเป็นธรรมชติที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้ตนหมายถึงว่าอะไรก็ตามส่งผลกระทบเข้าไปสู่ใจสิ่งนั้นทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่โสมนัตหรือโทมนัตหรืออุเบขาอารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดไม่ใช่ตัวของพระ อ, องค์แต่บุตรชนทั้งหมดจะยึดถืออาการเหล่านั้นว่าเป็นตัวตนของตนเองแต่พุทธองค์และพระอริยสงสาวกผู้ซึ่งได้กำหนดรู้เอทานารอบรู้อย่างแจ่มแจ้งแจ่มชัดแล้วว่า นั่นไม่ใช่ตัวตนและบุคคลของใครผู้ใดทั้งสิน้นเป็นอาศัยแต่เหตุปัจจัยก่อเกิดกันขึ้นว่าเพราะสิ่งนี้มากระทบอันนี้จึงก่อเกิดเป็นสุขอย่างนี้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเป็นสมานักอย่างนี้นี้แค่เหตุปัจจัยและกระบวนการแห่งการเกิดขึ้นของเวทนาเท่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วกระดับไปในคราวครั้งต่อไปแน่นอนนี้เป็นสัจจะนี่นคือความจริงเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ความจริงในด้านของ ด้านของรูปหนึ่งน้ำสองแล้วก็สภาวะคือลักษณะสามนี่คือความจริงหรือว่าธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติในด้านของรูปปฏิบัติในด้านของน้ำแล้วก็ปฏิบัติในด้านของสภาวะจิตดวงใดที่รู้สภาวะของรูปกับนามตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยอิงอาศัยกันอยู่จิตดวงนั้นก็จะเกิดการสลัดการเรียกว่า อุปทานที่เคยยึดยึดและจับอย่างเหนียวแน่นแต่ก่อนเนี่ยสลัดยังไงก็ไม่ออกสับัดสลัดตัดคายยังไงก็ไม่ออกแต่พอเห็นความจริงมันจะเกิดการคายความจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาอวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันจะคายคายคลายคายคายยืดความหลงผิดอ่ะมันจะคายคายคายคายคายตัวออกมาเข้าใจไหมคายตัวออกมาไอตัวนี้ก็ยังเป็นตัวนี้เหมือนเดิม กายกับจิตก็ยังเป็นกายกับจิตรูปกับน้ำก็ยังเป็นรูกกับน้ำเหมือนเดิมแต่อาการยึดเนี่ยมันคายตัวออกมาจิตดวงใดก็ตามนะที่รู้มันจะคายตัวออกมาพอคลายตัวออกมามากเข้ามากเข้ายิ่งคลายตัวออกมามากกายกับจิตก็เป็นสิ่งเพียงแค่ที่ถูกรู้และถูกดูอยู่เมื่อกายกับจิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้และถูกดูอาการของกายกับจิตถูกรู้รู้และถูกดูอย่างนี้จะเห็นอาการทั้งสว่าปรากฏเกิดปรากฏตั้งอยู่ด้วยการ ไม่คงที่แล้วก็ถึงการสลายตัวก่อเกิดรวมตัวกันใหม่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นการเกิดการดับเห็นเปลี่ยนแปลงสภาวะที่เกิดและดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องไอเห็นเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าปั๊บมันจะเกิดเกิดเขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปัโนความถึงพร้อมด้วยความเห็นอาการถึงพร้อมด้วยความเห็นอันนี้มันจะเชื่อมต่อกับอายตนะนิพาน อาการที่เชื่อมต่อเนี่ยเป็นอายตนะตัวมรรคจิตเป็นอายตน ะ, ะเป็นอายตนะของมรรคนิพพานคือจุดเชื่อมต่อกับมรรคจุดเชื่อมต่อกับมรรคของจิตเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันเหมือนตาตานี้เป็นอายตนะทางตารูปก็เป็นอายตนะะรูปายตนะรูปอายตนะออนะสองอย่างเชื่อมต่อกันก็เห็นเกิดการเห็น เห็นเห็นรูปเนีเห in ็นเนี่ยคนนั่งอยู่เหมือนการมรรคจิตก็เป็นอายตนะของจิตเป็นมานายตนะของจิตโดยมีคุณสมบัติเป็นอายตนะแล้วเชื่อมต่อกับนิพพานที่เป็นอายตนะคือคือตัวเชื่อมต่อพูดง่ายว่านิพพานจะเชื่อมต่อกับมรรคจิตเท่านั้นหากมรรคจิตดวงใดที่ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปถึงทางเดินแห่งมรรคที่เชื่อมต่อกับพระนิพพานได้ก็ไม่สามารถรู้แจ้งพระนิพพาน แต่เมื่อจิตดวงนั้นอ่ะดําเนินจิตดําเนินใจเข้ามาแล้ว่าเดินทางแห่งจิตการดําเนินของจิตที่เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับของกายกับจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนกับไฟกระพิบพบพับพับพุบพับพุบพับพุบพับไม่ได้เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเกิดบัคจิตบัคจิตตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อพระนิพพานจิตดวงนี้จะเห็นหนี้พานทีนี่เห็นหนี้พานในเบื้องต้นพอเห็นหนี้พานปุ๊บมันก็จะทำลาย ทำลายอะไรบ้างทำลายสกยญาติทิฏฐิวิจิกริชฌาศีลพัตตปรามาสเนี่ยคือการทำลายมันจะเห็นอย่างนี้ทีนี้ได้ปฏิบัติบูชาอย่างนี้หรือเปล่าพวกเรานะได้ปฏิบัติบูชาอย่างที่ว่านี้ไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นมันถึงขั้นไหนขั้นขั้นรูป ก, กับนามแยกยังแยกรูปแยกนามกันอยู่นี้ใช่ไหมแยกออกหรือเปล่า ยังไม่ออกเลยก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้นะว่าลำดับเป็นอย่างนี้ครับให้ทราบว่านี่คือลำดับลำดับของการคลายการบางมันจะมีอะไรที่ที่เป็นความรู้ในตัวเองเป็นความรู้พิเศษต่างหากเองที่ไม่จำเป็นต้องมาอธิบายตรงนั้นอะแต่พอเข้าไปรู้แล้วจะลึ้ได้ว่าอ๋อนี่เหรอที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้ มันจะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการที่พูดถึงเนี่ยหากเราทําอยู่ตามขั้นตอนนี้อรรมายังไม่ได้พูดถึงกิเลสเลยนันี่ยังไม่ได้พูดถึงกิเลสเลยนะเพราะว่าไอ้กิเลสคือเรื่องเรื่องที่หยาบมากนะกิเลสนี่คือเรื่องความจริงนะธรรมะนี่ธรรมะหนึ่งในด้านของรูปประทับในด้านของนามประทับในด้านของไตรลักษณ์ที่เราจะต้องรู้นะธรรมะในด้านของไตรลักษณ์และในด้านของการเจริญมาก เจริญมากคือเห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเห็นรูปธรรมคือเห็นอะไรเห็นทุกถูกต้องไหมรูปธรรมกับนามธรรมเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมโดยหลักธรรมชาติโดยสัตว์จากอริยสัจข้อที่หนึ่งห้าสี่ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมนันแหละเมื่อเห็นรูปธรรมคือกายกับจิตนามธรรมเออรูปธรรมนามธรรมคือกายกับจิตเป็นมันจัดอยู่ในทุกขัสัจคือตัวทุกข์ที่เราจะต้องกำหนดรู้เรียนรู้และทําความเข้าใจไม่ต้องไปแก้มันกันรู้ว่าเป็นตัวทุกข์อย่างนี้ พอเรียนรู้อย่างนี้แล้วปั๊บมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาชัดเจนภายในตัวเองนามรูปกับนามแล้วก็ไม่เห็นลักษณะ3เกิดจากการคายการวางเมื่อคายและวางโดยการเห็นอย่างนี้แล้วว่าเห็นด้วยวิปัสสนาเมื่อคายและวางโดยการเห็นอย่างนี้มากๆหากจิตยังไม่สัมผัสกับนิพพานนั่นก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่พ้นจากความหลงผิดนะพูดง่ายๆความหลุดพ้นจะมีอยู่สี่ระดับหลุดพ้นจากความหลงผิดในกลย ในความลังเลสงสัยแล้วก็ในความยึดถืผิดอย่างงมงายเรียกว่าหรือพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการตัวเนี้ยสังโยชน์เบื้องต่ําสามประการก็มีสกฤติทิฏฐิวิจิกริชฌ์ศิลปะตระพรามาคือความเห็นผิดในกายความลังเลสงสัยความยึดถือผิดอย่างงมงายหลายอย่างที่เป็นความงมงายในสังคมของเราก็มาจากตัวศิลพะตระรามาคความหลงผิดอย่างงมงายนี้การที่บุคคลใดยังยึดถือ การการะทำที่เป็นความผิดอย่างงมงายอยู่ในสังคมก็เท่ากับสอนเห็นว่าคนคนนั้นยังไม่สามารถแก้ไขสังโยชนีน้ได้สังโยชน์ในข้อศีลคัตตปรามาสความงมงายมีกี่ประเภทงมงายในในศีลใช่งมงายในวันดศีลและวัดศีลก็คืออะไรเนาะ ถือศีลตามประเพณีไม่ได้ถือศีลด้วยเจตนาของตนเองหนึ่งคือความงมงาย 2. ยึดถือวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเข้าใจว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำวัดและสวดมนต์จะพาเราไปถึงนิพพานได้เนี่ยถือวัดอย่างงมงายเข้าใจไหมถามว่าเอาแล้วปฏิบัติไปพระนิพพานไม่ได้อาศัยจงกรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เหรอ อาการจงกลมหรือนั่งสมาธิเป็นเพียงแค่กิริยาเป็นเพียงแค่อิริยาบทที่เปลี่ยนสภาพของร่างกายเพราะร่างกายไม่สามารถอยู่ในท่าเดิมได้ตลอดไปผู้ใหญ่จึงบอกให้เปลี่ยนกิริยาบทว่ายืนเดินนั่งนอนแค่นั้นเองมันไม่ได้ไปทําจงกลมที่เรียกว่าทําแล้วจะเกิดจะเกิดอะไระจะเกิดการบรรลุเพราะจงกลมการบรรลุเพราะนั่งสมาธิการบรรลุเพราะไปนั่งสวดมนต์ไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นการหิวผิดอยังององไง และถือวัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดคนสารเสริญราบสักกะเพื่อหวังราบสกกระเช่นคนที่ถือวัดปฏิบัติในเรื่องการอดอาหารอย่างเงี้ยอดอาหาร7วัน15วันหรือฉันอาหารมื้อนึงหรือทําอะไรก็ตามที่เป็นวัดแปลกๆขึ้นมาวัดปฏิบัติแปลกๆมีอะไรบ้าง การเข้าชานสมาบัติเพื่อวังราบสกกาะคือจุดประสงค์คือเพื่อท่าหวังลาบสักกะเพ่งดวงจเัเพียงเพ่งดวงอาทิตย์ทําเส้นสวงสักกะกาบ่ายบูชาอันนี้อันนี้หมายถึงว่าศีลการถือวัดความงมงายในชั้นของการปราชุด h a r m และอีกอย่างหนึ่งคือความงม ง, งายในชั้นของการเขาเรียกว่างม ง, ง, งายในชั้นของพวกสวรดรเคาะต่อชะตาอะไรพวกนี้ พวงสงเส้นไหเดี๋ยวพี่เนี่ยอันนี้ความงมงายจะมีสองประเภทในธรรมอันหนึ่งกับในกระแสะโลกอันหนึ่งประเภทเนี่ยหมายถึงว่าความงมงายทั้งสองระดับเนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่บุคคลไม่สามารถละศีละพะต่ำประมาณหรือสัเญื่องต่ามีได้ทําไมถึงละไม่ได้เพราะไม่เห็นกายเห็นจิตตามความเป็นจริงคือไม่เห็นกายโดยความเป็นธาตุไม่เห็นจิตโดยความเป็นนามสีและไม่เห็นลักษณะทั้ง3ของกายกับจิตคือของหลบ ก, กับนาำ เมื่อเห็นแล้วเกิดวิปัสสนาถามว่ายังจะละได้เลยไหมอาจจะรู้ว่ า, าการประพฤติวัดต่างๆนั้นเป็นควา ม, มงมงายการทําการสะดอเพาะต่อชะตาเส้นสวงเส้นไหวทําทพิธีกรรมอะไรต่างๆเป็นควา ม, มงมงายอาจจะรู้แต่ยังละไม่ได้เพราะวิปัสสนามันเห็นด้วยวิปัสสนาที่แกล้าแต่ถ้ามันไปรู้พระนิพพานเมื่ อ, อไร่เมื่อนั้นคุณจะเป็นการตัดได้ละได้อย่างเด็ดขาด นั่นคือการพ้นจากความหลงผิดในระดับเบื้องต้นคือโสดาบันสกทาพามีก็พ้นจากความหลงผิดในเรื่องของการมราคปฏิฆะได้อย่างเบาบางอนาคามีคือพ้นจากการมราคปฏิฆะได้เด็ดขาดอารหันต์คือพ้นจากอัตตาลุทธิธิเบื้องบนคือสังโยช น, น, น์เบื้องบนซึ่งเป็นอัตตานุทธิธิอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าการที่พระองค์ทรงประกาศธรรม การที่พระองค์ทรงตัดสรธรรมและประกาศทำประสรุประสูตัดสรุปอุบัติเพื่อนำประซูเนี่ยเพื่อจุดะสมการตัดสรุปประซูเพื่อตัดสรุปตัดสรุปเพื่อให้เราเข้าใจตัวของเราเนี่ยเพราะนั้นพระองค์บอกว่าจงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบูชาเถิดจะชื่อขึ้นว่าชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาพจน์อย่างแท้จริงคือการปฏิบัติต่อตัวเราได้ยินไหมปฏิบัติต่อตัวเราได้เลยถามว่าตัวเราอยู่กับเรา24ชั่วโมง เราได้ปฏิบัติกับตัวเราย4ิบสี่ชั่วโมงไมไม่ได้เห็นร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมตลอดยิบสี่ชั่วโมงไมไ ม, ไม่ได้เห็นนามคือกายกับตัวจิตเนี่ยตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเห็นอาการเกิดและดับตลอดยิบสี่ชั่วโมงมไม่ก็มันอยู่กับเราย4ิบสี่ชั่วโมงเราทำไมไม่เห็นมัน ม, มันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่ไม่ได้แยกจากเราไม่ได้พาออกไปจากกันเลยแต่ทำไมเราไม่เห็น ตอนนี้เห็นไหมว่าร่างกายเรามองก็ไปตรง น, นี้นะส่วนใดคือดินน้ำไฟลมมองเห็นไหมมองเห็นด้วยความคิดใช่ไหมใคร่ควรใช่ไหมนั่นคือถูกต้องแล้วเรามองเห็นไหมว่าเวทนาสัญญาสังขารมียญญานอันประกอบอยู่ภายในเนี่ยที่แสดงอาการต่ตางๆออกมาว่าสุขทุกข์ไม่สุขทุกขนะ์ทรงจําคิดแล้วก็รับรู้รับทราบอยู่ในเวลานี้เป็นสภาพของ ร่วกับนามอิงอาศัยอยู่เพราว่าร่วกับนามเหมือนกับว่าบุคคลผู้อาศัยเรือพายเรือเข้าใจไหมร่วเปรียบเส ม, มเือนเรือนามเปรียบเสมือนผู้พายเรืออิงอาศัยกันอยู่เข้าใจไหมมีเรือแล้วก็มีผู้พายเรืออยู่ภายในผู้พายเรือทําการพายเรืออยู่ภายในเนี่ยถามว่าจะไปถึงฝั่งหรือไม่ไปถึงฝั่งอยู่ที่ผู้พายผู้พายเรือจะพาเราไปถึงฝั่งไหมเพราว่าจิตดวงนั้น จะสามารถกำหนดรอบรู้ในกายในตัวของมันเองในกายคือท่าสีและก็ในตัวของมันเองเนี่ยคือตัวนามเนี่ยได้รู้ในลักษณะสามตอนไหนอย่างไรเข้าใจลักษณะสามอย่างไร<ม>เห็นลักษณะทั้งสามไห ม, มเห็นกายเกิดดับไห ม, ม ก, าการเกิดดับของรูปเวทนาการเกิดดับของกายท่าสี<ม>เห็นไหมมันเกิดดับยังไง ใช้ความคิดไงความคิดพิจารณาแล้วจะเห็นคิดถึงบ้านสิเห็นภาพบ้านขึ้นมาใช่ไหมคิดถึงดวงจันทร์สิเห็นภาพดวงจันทร์ขึ้นมาใช่ไหมคิดถึงดวงอาทิตย์เห็นภาพดวงอาทิตย์ใช่ไหมหมายถึงว่าต้องเราคิดอะไรเราก็จะเห็นอันนั้นใช่ไหมหาเราคิดสิเนี่ยเราคิดว่ากายเกิดดับอย่างไรเราก็จะไปเห็นไปทีนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่เราคิดทั้งหมด จะคิดเกิดจากสิ่งที่เราเห็นก่อนทั้งนั้นจึงจะคิดได้ใช่ไหมจึงจะเห็นภาพก่นนั้นแต่นี้เราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นว่ามันเกิดดับอย่างไรเนี่ยแล้วเราจะคิดได้ไหมว่ามันเกิดดับยังไงเราจะเห็นภาพของการเกิดดับของกายได้ไหมเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็คิดไม่ได้ mm hmm. พุทธเจ้าจึงบอกว่าใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงเทียบเคียงยังไงเราเห็นไหมว่าตอนที่เราอยู่ในท้องเป็นยังไงอาจจะเห็นภาพคารบที่เขาเอาออกมาให้เห็น ทางด้านสื่อทางด้านออนไลน์หเห็นตัวนั้นไปก่อนอ๋ อ, อเราก็เราก็อยู่ในท้องเองนั่นแหละถามว่าเด็กทารกในท้องคือตัวเราตอนที่อยู่ในท้องน่ะมันหายไปไหนแล้วมันดับไปไหนแล้วแล้วตอนที่คลอดออกมาเนี่ยคือการเกิดใหม่ใช่ไหมไอเด็กทารกที่คลอดออกมาใหม่เนี่ยมันหายไปไหนแล้วตัวเราแล้วตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยตอนโตเนี่ยมันหายไปไหนแล้ว ตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไอความเป็นผู้ใหญ่เป็นหายไปไหนตอนที่มีครอบครัวหายไปไหนตอนนั้นอ่ะสภาพทางองพิจารณ่ยิ่งใครพี่นทีมากเท่าไหร่ทีคือเห็นแต่ละขณะแต่ละขณะแบบทีทีที ท, ท, ทีคนคนนั้นจะเห็นการเกิดการดับของกายได้ชัดเจนเดี๋ยนี้ดูเวทนาเกิดดับดูยังไงคิดดูซิว่าความสุขความทุกข์ในชีวิตที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยมันเกิดแล้วมันดับไปมากเท่าไหร่นะ เราพอจะมองเห็นภาพไหมถ้าคิดอย่างนี้พอจะมองเห็นภาพได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดเพื่อให้เห็นอย่างนี้เขาเรียกว mm ่าเห็นกายเห็นจิตเราจะเห็นเป็นลักษณะของการเกิดระดับจะเห็นลักษณะ3ประการคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเทียบเทียงได้ว่าวันเวลาทุกๆขณะที่ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไ ป, งไปเขมอินาทีกระดิกไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็คือการล่วงไปของชีวิตคือการดับไปของชีวิต ลมหายใจเข้าและออกแต่ละครั้งแต่ลรังคือการหมดไปของชีวิตคือการดับไปของรูปและนามมันจะไหมรูปเวทนาสัญญาสังนฐานวิญญาณเป็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราคิดอย่างนี้เราจึงจะเห็นภาพที่เป็นมโนภาพขึ้นมาเราอาศัยมโนภาพนี้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นเครื่องกำหนดรอบรููของจิตเมื่อเราสามารถกําหนดรอบรููของจิตในหลักลักษณะของมโนภาพอย่างนี้เป็นกรรมฐานเป็นองค์พิปปัสนาเราจะเริ่มเห็น ความจริงชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆแล้วการเห็นความจริงที่ชัดอย่างนี้เองมันจะเกิดการทายทายตัวของมัน <c oughs> เมื่อเห็นการทายตัวแล้วเราจะสิ่งกายกับจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูตัวเห็นก็คือตัวเห็นจิตแต่ก่อนเคยเป็นอันเดียวกันกับขันนะเคยเป็นอันเดียวกันกับขันมันจะแยกออกมามีโคนสมบัติของผู้รู้อยู่แล้ว่าเป็นตัวสติ มันจะมีสติแยกออกมาจากจิตสติออกมาเป็นผู้รู้รู้และเข้าใจแล้วตัวสติเนี่ยคือมัดองค์มัดสมาสติสมมาสติจะก่อให้เกิดสมาสมาธิสมาสมาธิเมื่อเต็มรอบในจิตคือตั้งมั่นในการรู้และดูกายกับจิตอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอนะดูเรื่อยๆดูอยู่เป็นประจำดูอยู่ทุกวันดูแล้วดูอีกดูย้ำๆดูซ้ำๆมันจะเกิดความรู้ต่อจากการที่เรารู้และดูอยู่ เมื่อความรูม้ปรากฏแย้งแจ้งขึ้นมาปั๊บจิตจะสัมผัสกับพรนิพานเองคืออายตนะมันเพียงพอต่อการรู้กันนะมันก็สัมผัสพระ น, นิพานอย่างเงี้ยนี่คือหลักปฏิบัตินี่คือการทําการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งที่เราควรจะกระทําโดยการฝึกปฏิบัติบูบชาทำอ่ะการรู้การดูการเห็นอย่างนี้รู้สึกมันจะ ไม่ค่อยลาบลื่นเท่าไหร่ในขณะที่เราเป็นคาราวาสเราทําการทํางานอยู่ดูมันก็ไม่ลาบลื่นดูมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามตามที่พี่อาจารย์พูดพา่าอาจารย์พูดเดยคิดตามคิดตามพี่ตามก็มันเหมือนจะบรรลุเลยนะแต่เวลากลับไปถึงบ้านไม่รู้ว่ามันเบื่อไปหมดเลยเป็นพอดเป็นเพราะอะไร เราบอกว่าชีวิตการงานของทั้งโลกดูมันไม่ค่อยล่ามื่นเท่าไหร่นะในการที่จะึูดสูวอย่างนี้ก็มาบวชแบบพระอาจารย์สิครัว่าไม่จำเป็นหากเราทำความเข้าใจว่าจะเป็นที่ทำการงานจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ไหนก็ตามถามว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนาม บ้านเป็นรูปใช่ไหมทีนี้ในที่ทํางานก็เป็นรูปก็มาจากดินน้ําไฟลมถูกต้องไหมถ้าเราเห็นสิ่งเราเนี้ยเป็นดินน้ําไฟลมเราก็ได้ปฏิบัติแล้วคนที่เราเกี่ยวข้องนะั้นด้วยเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามเมื่อมีทั้งรูปทั้งนามแล้วเราก็เห็นรูปนามในตัวของเขาเห็นรูปโดยความเป็นท่สีเห็นนามโดยความเป็นนามคือเบทนาสัญญาสังขารนิยาม เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วคือความเห็นอันนี้มันจะควบคุมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเองสิ่งที่เรารู้เราเห็นแต่ถ้าเราเห็นเห็นบ้านเป็นบ้านเราไม่ได้เห็นบ้านเป็นรูปคือดินน้าไฟลมเราไม่ได้เห็นคนเป็นรูปกับนามหรือกายกับจิตเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราก็จะหลงยึดเข้าไปว่านั่นคือบุคคลเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นแน่นอนว่าเราก็ปฏิบัติยากเพราะฉะนั้นในสมาธิฏฐิ มาคือข้อปฏิบัติหรือการดําเนินเราจะต้องตั้งความเห็นให้เห็นความจริงไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามก็คือดินน้าไฟลมอยู่ที่นี่เราก็มาอยู่บนดินน้าไฟลมกายเราก็คือดินน้ําไฟลมจิตเราคือนามนามสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมันรวมตัวกันดินน้ําไฟลมรวมตัวกันมาเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมตัวกันมาเป็นจิต แล้วกายกับจิตเชื่อมโยงกันครอบครองกันอยู่เมื่อหมดกายจิตก็ไปหาพบชาติใหม่คือร่างใหม่การที่จิตไปหาพบชาติใหม่หรือร่างใหม่เอยจะสร้างร่างนั้นขึ้นมาด้วยบุญหรือบาปถ้าเป็นบุญก็สร้างรูปของมนุษย์กับเทวดาและผมถ้าเป็นบาปเพื่อสร้างรูปของเปตพิภีสัตว์อสูรกายสัตว์สันนลบสัตว์เลเชานนรกไว้เป็นให้ไปครอบครองมันอยู่ที่ว่าบุญหรือบาปเป็นตัวเข้าไปสร้าง เพราะฉะนั้นแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเห็นว่าการมีรูปการเกิดขึ้นของรูปเป็นความทุกข์ท่านรู้รูปตามความเป็นจริงว่าเป็นธาตุท่านรู้จิตตามความเป็นจริงว่าเป็นน้ําอาการแห่งจิตที่รู้รูปแล้วก็รู้ตัวเข้ามันเองว่ามันตัวเป็นแค่ตัวน้ำเท่านั้นเองการรู้และทําความเข้าใจแล้วก็รู้แจ้งในพระนิพพานมันจะไม่สร้างรูปในภพหน้าถ้าพระโสดาบันก็จะสร้างรูปไม่เกินภพที่แป แค่เจ็ดภพเท่านั้นสร้างรูปประกายแต่จะสร้างรูปประกายด้วยกุศลธรรมเท่านั้นพระกุศาบัลนั้นตามกสศลบัลนั้นจะสร้างรูปทั้งรูปมนุษย์รูปเทวดารูปพรมรูปสัตว์ในชาลรูปเปรตรูปหีรูปวัสรกายแล้วก็รูปสัตว์นรกสร้างไว้เพื่อเข้าไปยึดติดจำไว้เลยนะจิตเนี่ยเมื่อมันสร้างอะไรไว้มันจะเข้าไปยึดติดสามารถเราไม่อยากจะสร้างอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่อยากจะสร้างรูปกายในเทวโลกหรือพมโลกหรือ เปลนอสุรกายรนรกหรือสัตว์ในเลชานเราไม่อยากจะสร้างแต่สิ่งที่เรากระทาในเวลานี้ประกอบไปด้วยกุศลหรืออกุศลเมื่อเมื่อสิ่งที่เราทําประกอบไปด้วยอกุศลกุศลและอกุศลแน่นอนว่าอกุศลและอกุศลเนี่ยเป็นผู้สร้างเราอาจจะไม่อยากจะสร้างแต่กุศลและอกุศลที่เรากระทำเนี่ยมันจะสร้างเองอัตโนมัติเพราะเป็นระบบของมันเป็นระบบแห่งการก่อเกิดเข้าใจไหม ใช่บุญที่เราทำในเวลานี้ในวันนี้เป็นระบบแห่งการสร้างเราจะได้สวรสด์ไปที่ไปมีมีสุขติสวรสด์มีวิมานทิพย์เครื่องทิพย์ของทิพย์แล้วก็มีรูปเทวดาที่ถูกสร้างไว้เพื่อรอให้เราได้ไปเป็นคือมันมันไม่ได้เป็นตัวตนตั้งอยู่แล้วรอให้เราเข้าไปเอาจิต น, นี้ไปสวมร่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึว่ามันถูกสร้างไว้ในขวังด้วยกระแสแห่งบุญบุญมันสร้างไว้รูปของเทวดาหรือพม แล้วก็อกุศลมันก็ไปสร้างรูปของภพภูมิชั้นต่ําในวันวันหนึ่งเรามีจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมากกว่ากันคําบันไม่ใช่บุญมันก็คือเป็นเป็นบาปบางทีอาจจะไม่เป็นบาปอาจจะเป็นกลางกางถามว่ากลางา ก, า ง, กางเรารู้ ร, รู้สึกตัวไหมว่าจิตนี้เป็นกลางในวันวันหนึ่งเราสามารถรู้ได้ไหมว่าอันนี้จิตเราเป็นกลาง การที่เราไม่รู้นี่แหละคืออวิชชาครอบงําแล้วเมื่ออวิชชาครอบงํามันก็จะเป็นไปเพื่อความหลงเมื่อเป็นไปเพื่อความหลงมันก็ตกไปอยู่ในฝ่ายของอกุศลธรรมเห็น ไ, ไหมมันก็เลยมีแค่บุญกับบาปเป็นเรื่องประกอบจิตพราะเราไม่รู้ความเป็นกลางไงมันก็บุญกับบาปประกอบจิตเมื่อบุญกับบาปประกอบจิตอยู่างนี้เรื่อยๆแล้วก็สร้างรูปเทวดาบ้างรูปนรกบ้างรูปเปรตพิศารสุนรไกรพอตายไปปุ๊บ ก็เกิดการประกอบเกิดรูปอย่างนั้นให้เราให้เราได้เข้าไปเฉลยก่อเกิดขึ้นมาปุ๊บจิตก็จิตที่ปรกอก่อล่างตัวขึ้นมาก็เข้าเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะปฏิสนธิปฏิสนธิคือการถ้าจะเปรียบเทียบก็คือการเนี่ยอัตามาทเทอันนี้ลงไปในนี้นะในน้ำเนี่ยแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปปฏิสนธิคือการเนี้ยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน กายกับจิตตอนที่จุติอยู่ในคันแห่งมารดาจิตจิตลงจิตคือเข้าไปไปอยู่ในากาลละที่เป็นจุดแรกเริ่มแห่งการกําเนิดชีวิตเกิด อ, อยากน้ํามันใสมันเกิดพร้อมกันเหมือนกับการจุดไฟเอาเอาไม้ขีดจุดเพืบไฟก็เกิดขึ้นเป็นเปลวไฟจังหวะเดียวกันนั่นแหละไม่ก่อนไม่หลัง เมื่อเมื่อมีการปฏิสนธิคือการไฟแห่งมารดาเคี้ยวไฟของมารดาเคี้ยวกายกับจิตอยู่ด้วยกันเมื่อมื่ตัวเนี้ยมันก็จะละลายเข้าเป็นอันเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วลการปฏิสนธิการก่อเกิดเป็นอย่างไงฮะแต่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะสาธิตเมื่ีเป็นเพียงแค่ตัวอย่างแต่การเกิดขึ้นมันรวดเร็วมากไฟธาตแห่งมารดาแล้วก็ประกอบด้วยกุศลกรรมอกุศลกรรมตอนนั้นไหน กุศลกรรมก็จะสร้างรูปว่ากายที่ดีตั้งแต่อยู่ในครันแล้วอกุศลกรรมก็จะสร้างรูปที่ไม่ดีตั้งแต่อยู่ในครันแล้วอย่าทำมันใส่ยนะมันก็จะมาเป็นลําดับลําดับต่บกอการเกิดของทารกทีนี้รูปของเทวดาเร็วกว่านั้นรูกของร่างกายมนุษย์ยังอาศัยสร้างกัเก้เดือนกว่าจะคลอดรูปของเทวดานี่กับพิพตาขรั้งนึงยังช้าอยู่เลยมันเร็วกว่านั้นล้างเผาปึ๊บรูปของซาเดรชันก็อาศัย ตามแต่ว่าสัตว์เอสารแต่ละชิตนั้นมีอายุเท่าไหร่รูปของเป็ดพิบิาษานธัรกางกันเร็วพวกที่เป็นโอปติกาเนี่ยเร็วขุดพวกขุดเกิดขึ้นนี่เร็วนะเร็วมากในแต่ละวันแต่ละคืนเราก็สร้างรูปประกายไว้เองตามกําลังแห่งบุญและบาปทีนี้เมื่อเรามารู้ว่ากายเป็นพวกใจเป็นพวกกายเป็นห้าสี่ลิ้น้ับไปลงใจเป็นเพียงแค่นำมาขันสีการมีกายมีใจต่อไปอีกในภพหน้าชาติหน้า เป็นกระบวนการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในภพชาติเราก็ไม่สามารถพ้นไปจากความทุกข์ได้เราเห็นอย่างนี้มากๆมากๆมากจิตดวงนี้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังทคําสอนของพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะไม่พอใจในการที่จะไปสร้างรู ป, ปกายบุญกุศลที่เกิดขึ้นจึงเป็นบุญกุศลที่ไม่สร้างกายมันจะไม่มันจะสร้างอะไรถ้าไม่สร้างกายจะสร้างอะไรเพราะกุศลเป็นสังขารกุศลอกุศลเป็นสังขารไงสังขารคือตัวปรุงอะ ปรุงเพื่อปฏิสนธิสังขาราปฏิยาบิญญานยาณังวิญญาณผู้วิญญาณปฏิสนธิพยายามสังขาราปฏิยาบิน ญ, ญานังสังขารตัวเนี้ยจะปรุงเพื่อให้ปฏิสนธิแต่ทีนี้เมื่อเรามารู้แล้วว่าบุญกับบาปซึ่งเป็นกุศลสังาขารกับอกุศลสังขารเนี้ยว่าเราไม่ต้องการรูปเพราะรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ว่าโดยย่อแล้วขันธ์ห้านี้คือตัวทุกข์ หาเรายังปฎิฐานะในขันห้าคือตัวกายกับจิตที่ยังมีมพรคใหม่คือการปฎิฐานะตัวทุกข์ทีนี้เราก็ไม่ต้องการเราไม่ปฎิฐานะเราจะอาศัยธรรมกุศลสังขารและอกุศลสังขารที่เกิดขึ้นมันจะสร้างอะไรมันจะสร้างทางไปพันธะนา้นให้กับเรามันจะให้เราเห็นเห็นช่องทางเห็นวิธีทางเห็นเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราจะออกจากก็ต่างอย่างไรหรือยังไม่เห็น แค่ในชั้นความคิดเราสามารถคิดไม่เห็นได้นะแล้วในชั้นความจริงมันยิ่งเห็นแบบแจ่มแจ้งกว่านั้นนี่คือชั้นขอความคิดเรายังสามารถคิดได้ว่าจะออกทางไหนใช่เราก็ต้องเห็นทุกเห็นเห็นขันห้านี้ทุกเป็นพุกจนเบื่อจนมันเบื่อจนมันเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่ออยู่นั่นแหละเบื่อซ้ำๆซ้ำๆเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อวันคืนลวกไปลวกไปกูเบื่อจริงเว้ยขันห้านี่กูไม่ต้องการขันห้าเบื่อยิ่งเบื่อยิ่งเห็นยิ่งเบื่อแต่ไม่่ใชเบือ้หนนากะ คนที่เห็นความจริงอย่างนี้แม้จะเบื่อแค่ไหนก็ตามจะมีเมตตาต่อกันเพราะมันมีทุกข์อ่ะยิ่งเมตตากันยิ่งรักกันยิ่งกระทาสิ่งดีๆต่อกันใช่ไหมไม่ใช่เบื่อแล้วก็เบื่อมันอะไรอันนี้เป็นเบื่อปฏิฆะเบื่อเบื่อเบื่อจะมี2เบื่อเบื่อแบบนิ้พิธาคือแบบเบื่อแบบมีปัญญาเบื่อแบบปฏิฆะคือเบื่อแบบปฏิเสธแบบเป็นเบื่อแบบดิเลสอนเนียเป็นเบื่อแบบตัณหาอเนี้ยเบื่อสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้อันนี้เป็นตัณหา เบื่อนี้พิธาคือเบื่อเพราะเห็นความจริงของกายกับจิตแล้วยิ่งปฏิถนาดีต่อกันยิ่งประพฤติดีต่อกันยิ่งมีเมตตาต่อกันด้วยกายวาจาและใจนี่คือความเปรียบเทียบแต่้เบือขี่หน้าแบบผู้นี้นี่อันนั้นไม่ได้แล้วผิดธรรมะแล้วผิดธรรม<า>นะเป็นอธรรมแล้วว่าจะเบื่อขี่หน้ากันมองกันด้วยสายตาเป็รักหรจว่าอย่างนี้ แต่ไม่ใช่หลงรักหลงไข่อะไรกันตรงนี้นนะคือรักกันด้วยเพราะเห็นว่ามันมีความทุกข์อ่ะแต่และคนมันมีความทุกข์อ่ะขันห้าเป็นตัวทุกข์อ่ะเข้าใจไหมก็เมื่อเป็นทัวทุกข์ <c oughs> ก็อย่าไปสร้างทุกข์เพื่อให้กันอย่าใช้วาจาเพื่อก่อทุกข์ให้กันอย่ากระทําทางกายเพื่อก่อทุกข์ให้กันอย่าคิดทางใจเพื่อก่อทุกข์ให้กันนะมันจะเป็นอย่างนี้หลักธรรมเข้า <c oughs> ใจ ไ, ไ, ไหม <c oughs> <c oughs> พอเห็นทางไปพะนิพานหรือยังเห็นทางแต่ยังไม่ได้เอาเห็นไว้ก่อนนั่นเอาความเห็นไว้ก่อนยึดถือความเห็นที่เห็นอย่างนี้ตามตามที่อธิบายนี้ไว้อยู่เรื่อยเเมื่อยึดถือความเห็นนี้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เส้นทางมันจะค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออกเปิดออกเปิดออกเปิดออ ก, ออกแล้วก็เดินอดี๋ยที่เขียนเดินไปแล้วกันเราเนั้นะให้ตั้งใจเดินปฏิบัติไปบางคนก็โอ้เสียดายโลกนี้ใบนี้ยังความสุขในโลกนี้ก็ยังมีอยู่นะเดีย๋ยวไปอยู่ในโลกนี้ดิก น, น, นานอยู่นะ้ปวดหัวอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอยู่ด้วยความหลงโลก อยู่ด้วยความรู้เท่าทันโลกอยู่ด้วยความเข้าใจโลกอยู่ด้วยความที่ไม่ยึดติดกับโลกในความหมายของพระพุทธเจ้ามีวงทรงสอนนั้นเพื่อให้เราเข้าใจโลกและรู้จักโลกตามความเป็นจริงไม่ยึดติดกับโลกแต่ไม่ทิ้งความสัมพันธ์กับโลกความสัมพันธ์มีอยู่อย่างไรของโลกก็ใช้ความสัมพันธ์อย่างนั้นกับโลกไปตามปกติตามธรรมดา แต่มีปัญญารู้และเข้าใจความจริงของโลกตามความเป็นจริงของมันนี่คือพุทธประสงค์ที่พระองค์วางศาสนาไว้ตั้งศาสนาไว้สอนให้เราประพฤติปฏิบัติเป็นผู้บูชาพูะอ์โดยการปฏิบัติตนในหลักธรรมในปฏิบัติบูชาธรรมโดยการปฏิบัติในตนเองรู้กายเป็นท่าสีรู้จิตเป็นนามรู้ลักษณะสามเพาะกายและจิตและรู้ผนิพา น, านตรงนี้ คือสาระสาคัญในความมีอยู่ของศาสนาสาระสำคัญของการประสูตุขึ้นของพุทธองค์สาระสำคัญของการตัดสรูปของพุทธองค์สาระสำคัญของการปรินิพานที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก่อนจะปรินิพานว่าทำและวินัยใดที่ตถาค ต, ตแสดงและบัญอยากไว้แล้วทำและวินัยอันนั้นจกเป็นศาสดาแห่งพวกเธอโดยการร่วมไปแห่งเรา ส า, าระสำคัญอันนี้ในวันบุรีาพันธ์พรมม่อทําและวินัยนี้ให้เราพุูประพฤติปฏิบัติบูบบชาเพราะฉะนั้นการสักการะบูชาใดๆในวันวิสาขาบูชาที่เป็นอามิดบูชาทั้งหมดขอให้ทราบว่านั่นไม่ใช่พุทธประสงค์ที่พระองค์ต้องการและไม่ใช่หลักเกณฑ์นในทางศาสนาที่หวังจะให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติในการบูชาอย่างนั้นแต่พระองค์คาดหวังอย่างยิ่งปรารถนาอย่างมากที่จะให้พุทธบริษัทปฏิบัติบูชาโดยการ ฝึกอบรมกายอบรมจิตให้เข้าใจกายเจริจิตตามปอดิจิงในทาคำสอนที่พระราศาสดาได้ทรงตรัสสอนไวน้นี้ให้ถูกต้องตามผนทางแห่งพระราศาสดาสอนนี่ยังเชื่อว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงมีใครสงสัยจะถามหลักธรรมข้อใดไหม ไม่นานมันรู้ความจริงมันเบื่ออยู่ประมาณสักชั่วโมงเดียวประมาณนั้นนะคือแต่ไม่ได้จับเวลาหรอกแต่ความรู้สึกจะบอกประมาณสักชั่วโมงหนึง่งเ<ม>บื่อแล้วคลายเบื่อแล้วคลายเบื่อแล้วคลายเบื่อแล้วคลายเบื่อแล้วคลายเบื่อแล้วคลายเบื่ออะไรก็ตามจะคลายคลายคลายคลายคลายคลายเบื่ออยู่ตลอดก็คลายอยู่ตลอดคลายการยึดการติดคลายการอุปทานคลายการเข้าไปเข้าหลงเข้าใจว่านั้นเป็นเรานั้นเป็นของข้งเรา คล า, ายความหลงอย่ า, ายความหลงผิดอย่างนั้นคลายการยึดผิดอย่างนั้นพอยึดพอคลายความยึดติดปับ๊บมันก็มันก็หลุดเข้มาเองมันก็สัมผัสกับพระนิพพานประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณจิตไม่ได้สบายนะขณะที่ปฏิบัตินะจิตก็สัมผัสกับความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งราคะโทสะโมหะก็บีบคั้นใจ บางทีก็ยังหลงคิดหลงตึกนึกหลงฟุ้งสร้างหลงอยู่กับอารมณ์บางอารมณ์ผูกราภบีพันก็มากผูกโทสะกบวนจิตก็เยอะตั้งปฏิบัติแต่ความเห็นทีเนี้ยความเห็นในกายในจิตเห็น5้สเห็นขันเห็นลักษณะสของอาการเหล่านี้พอเราเข้าใจอยู่แล้วน่ยคือธรรมาเข้าใจอยู่แล้วว่าบรรดากิเลสเนี่ย โรคปวดหลงราคาโทรศัพท์มืหัมันอาศัยขันเกิดแต่ตัวขันไม่ใช่กิเลสพอเราเห็นขันเกิดดับไอตัวนี้ก็ถูกมองเห็นว่าเป็นของเกิดดับด้วยไอไอไอราคาโทสศัมหะถูกมองว่าเป็นของเกิดดับก็เลยเบื่อมันเต็มที่เลยโอ้เพราะมีขันกิเลสจึงอาศัยขันเกิดถ้าไม่มีขันกิเลสจะอาศัยขันเกิดได้ยังไงเบื่อมันเต็มที่แลยโออมันอาศัยกันอย่างนี้เพราะมันมีอย่างนี้นั่นก็คือทําอาศัยกันเกิดขึ้นเห็นไหมมันมันมันเกี่ยวโยงกัน อมีขันมันต้องต้องเกิดสิ่ง น, นี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเบื่อยิ่งคลายคลายคลเมื่อเห็นอย่างนี้มากเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ า, า, ขาก็เห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแม้แต่กิเลส ก, ก็ตกอยู่ภายใต้การเกิดดับราคาโทรศัท์โมหันตก็ตกอยู่ภายใต้การเกิดดับแสดงว่ากิเลสไม่ได้อยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดดับไปตามกระแสกระแสโดยสภาวะเข้าใจไหมพูดง่ายว่าเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลานะ แต่เพราะเราไม่เห็นว่าเราไม่ได้ดีกิเลสอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เห็นว่ากิเลสก็เกิดดับเหมือนกับขันความไม่เห็นนี่เองจึงเป็นกิเลสคุมอยู่เราจึงรู้และเข้าใจในตัวเราว่าเรามีกิเลสอยู่ตลอดเวลาซึ่งโดยแท้จริงแล้วกิเลสไม่ได้มีอยู่กับเราตลอดเวลาตอนหลับกิเลสมก็ไม่มีแล้วไม่ได้เกิดแล้วแต่ด้วยความไม่รู้เราหลับด้วยความไม่รู้เข้าใจไหมเราหลับด้วยความไม่รู้กายไม่รู้จิตตามความเป็จริงเราหลับไปด้วยความไม่รู้ ความไม่รู้นี่แอบจึงไ อ, อตัวเนี้ยมันจึงทำให้เราหลับไปด้วยอั น, นาจของกิเลสจึงมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในขณะที่หลับทั้งที่มันไม่มีข่อยายมิ่ง ก, นนน ก, ก, ก็เวลานอนหลับก็กายนี้ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก่อนจะนอนนอนคิดไปอย่างนี้แหละ ก็เป็นแค่นามอาการแห่งกายหนึ่งจิตที่อาศัยกันอยู่ในขณะที่นอนนี้กายที่นอนเหยียดยาวอย่างนี้สักวันก็ต้องแตสลายกลายเป็นสร้างศพอย่างเงี้ยถึงการเผาไปก็กลายเป็นขี้เถ้าจิต ด, ดวงนี้ที่จะด้วยด้วยพลหรือด้วย ก, ววยกสุนที่จะไปปรุแิแต่งเราก็รู้ว่าสิ่งการปรุงแตงรร่ ง, ตง น, น, ตนั้นก็คือการปรุงแต่งการเกิดใช่ไหมหลักมีภพชาติจะเป็นภพชาติที่ดีก็ตามนั้นคือทุกนอนหลับไปอย่างเงี้ยคิดไปอย่างเงี้ยการเกิดใหม่เป็นความทุกข์ การิบปีทุกขาการเกิดเป็นความทุกข์เมื่อความเกิดเป็นความทุกข์เราก็ไม่ต้องการทุกข์หล <c oughs> ับไปเลย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อวิชาก็จะถูกคลายในขณะที่หลับเยอะจิตมันก็จะดำเนินเพราะมันเองในขณะที่เราหลับนะจิตมันได้ข้อมูลอย่างนี้ลงสู่ภวังปับ๊บจิตก็จะไปคิดเอาเองภายใน <c oughs> การเกิดเป็นความทุกข์เราก็ไม่จต้อง ก, การทุกข์เราหลับก็จริ ง, งแต่จิตมันมันยังทํางานเพรามันอยู่ในภวงัง ใช่บางคนก็ไปกอกเกิดเป็นความฝันจิตยังพิจรารณากายเป็นทุกขจิตการเกิดใหม่เป็นความทุกข์ขันหน้าเป็นความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่มีอยากไม่ต้องการการเกิดใหม่เราไม่ศา ส, สนาการเกิดจิตจะคิดอย่างไรในขณะที่ฝันบางทีขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยไม่ไม่ใช่แค่พี่นานะมันทําลายกิเลสกันในขณะที่ฝันก็มีทําลายความหลงกิดในขณะที่ฝันก็มีบางคนก็เกิดนิมิตไหมในทางที่ดีเช่น กำลังรอยอยู่ในแม่น้ําหรืออยู่ในทะเลหรือที่มีเรืออยู่เกิดพายุซัดเข้ามาเต็มที่เต็มเหนียวเหมือนกับเรือนี้จะจมแต่เกิดเกิดมีอิทธิฤทธิปฏิหารพิสดารทําให้เราพอกขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อันนั้นเป็นนิมิตหมายอดีว่าเราจะพ้นทุกในชาตินี้ถ้าใครมีคิดอย่างนั้นถ้าใครมีนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าราบุพานิมิตเป็นเครื่องหมายบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็เกิดนิมิต หลายอย่างแล้วแต่บางคนมั น, ม, นมันไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะฝวานมาถูกถูกคนไล่บิ่งไล่มาถือสาตาัตวอาวุธตัวใหญ่ใตัวบึบึ้งเน่ยวิ่งไรเราก็โอ้วิ่งนี้สุดชีวิตอะไรประเภทนี้วินะ่งนี้สุดชีวิตพอมันเข้ามาใกล้มาใกล้มาใกล้ขามองก็แทบจะก้าวไม่ออกเหนื่อยอยู่นั่นแหละกูจะไปยังไงนาะกูจะไปยังไงเ น, ะะไไงนะาะเกิดมีอัศจรรย์มีปฏิหาริว่าบึบ้งบึง้งขึ้นมาในฝันนะั่นแหะ เกิแสงสว่างหรือเกิดอะไรดึงเราไปรองรับเราไปหรือกุ้มครองเราไปก็แสดงว่าคนคนนั้นมีปุญพนธ์นิพนธีดีให้พ้นจากความทุกข์ความยากความลาบากในขันเขาบอกว่ามีผู้ร้ายอยู่ห้าคนติดตามเราอยู่รูปผู้ร้ายคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหอย่างถือสายตาอาวุธคือความแก่ความเี็บความตายคอยบับนปะหารเราในที่สุดแล้วความตายก็คือสายตาอาวุธที่จะตัดคอเราติดตามเรา ความเจ็บคือผู้ลงทันทําให้เราเจ็บป่วยอยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นผู้ลงโทษลงทันในในายพญาทีนายชาลานายพญาที่นายมรณะติดตามเราอยู่รเราบอกให้หนถ้านายมรณะมาก็ตัดคอหรือประหารคอขาดก็คือตาอยาหมดลมหายใจถ้าเราหนีพวกนี้ได้มีนิมิตใครฝันบ้างมีโอกาสพ้นในชานี้ ชาตนี้ไม่พ้นก็ชาติหน้านะันมีเรือมีโอกาสอยู่ันเรือัมีเรือสำรังาัข้ามฝั่งนั่นเยอะโอ้ดีจังจะได้เปลี่ยนเรือใหม่ไดเปลี่ยนเรือใหม่เนอนคใครไป่นรจะได้เปลี่ยนเรือใหม่คือเปลี่ยนยานนะนั่นเป็นยานยานคือความรู้เข้าใจไหมความรู้เก่าเราเราอาศัยความรู้นี้ลอยไปพอความรู้นี้มันใช้การไม่ได้ปับ๊บมันก็ เปลี่ยนความรู้เข้ามาใหม่สู่ความรู้ที่ดีกว่าพาเราไปถึงฝัง่งยานยานา ย, ยานธรรมดามันพวกเรือ <c oughs> พวกย า, านพาณิชย์เาเรียกชื่อว่าเป็นยานยานคือความรู้ตามความเป็นจริงแล้ธรรมดามก็ก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับรถเก็ดขับนะเนี่ยนั่งคันนี้ไปแล้วปุ๊บขึ้นอีกคันนึงคันนี้ไปถึงส่งไปถึงนี่เพราะมันไปแค่ถึงตรงนี้ก็ขึ้นอีกคั้นใหม่ต่อเหมือนกับจะมาจะไปอำนาจเจริญ นั่งเครื่องจากนี้ก็ไปลงดอนเมืองพอมันส่งได้แค่นั้นจะบอกให้มันไปส่งถึงอำนาจเจริญเลยไม่ได้ต่อมาต้องต่อเครื่องใหม่นั่งเครื่องใหม่เหมือนกันเราปฏิบัติมาอาศัยศีลสมาธิและปัญญามาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆืยๆมันก็จะต้องเข้าไปถึงยาณทัศนะสมงต่อกันไปตามลําดับ ก็รู้สึกเพียดจำเแ็นอยู่นะวันนี้นะว่าละเอียดขาคยฝังังไม่ได้แอบซือม่ไนนี้จีนฟังแล้วชอบดีชอบดีนะที่สุดจ้ ยังยังอยู่ที่โคนอยู่ใช่ไหมยังไม่ถึงยอดได้แค่มองได้แค่มองไปราใช่ต้องไปสํารวจตัวเองไปบูชาอย่างนั้นตอนนั้ต้องเข้าบูไปบูชาแต่เส้นผมนี่แหละดินนับไปลงผมคนเล็บฟันนังเนือเอ็นกรดูนั่งหลับตามลงไปสิ่งนั้นนี่เป็นท่าดินดินนับไปลง อาการที่คิดตึกนึกรู้สึกแสดงอาการไดๆออกมาเป็นน้ำนาำก็แค่สภาวะหนึ่งที่เกิดและกระดับกายก็คือธาตุสีที่เกิดและกระดับเหมือนกันต่างอันก็ต่างอาศัยกันเกิดดับอาศัยกันเกิดดับไม่ใช่อาศัยกันตั้งอยู่นะอาศัยกันเกิดดับอาศัยกันเกิดเกิดเราเห็นแต่การเกิดคือความมีอยู่เราไม่ได้เห็นการดับมันจึงทําให้เราหลงผิดว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาแท้จริงแล้วมันดับอยู่ตลอดเวลา เกิดตลอดเวลาและกระดับอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดอายุไขเหมือนกับเราจุดเทียนแล้วก็จุดเทียนเราก็เห็นแสงแต่เราจะมองดูดีๆว่าเมื่อระยะเวลาร่วงไปร่วงไปร่วงไปตัวเทียนเนื้อเทียนจะสั้นลงเรื่อยๆใช่ไหมการวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปโดยลําดับแม้เราจะเห็นว่ามันมีอยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปกายของเราแต่มันคือการหมดไปและสั้นไปอายุเราสั้นไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเมื่อเทียนมันไหมแสงแสงไฟไหมเทียนจน ละลายหมดแล้วก็คือดับสลายความเป็นตัวเทียนก็ไม่มีเราจะไปเห็นตอนดับตอนนั้นน่ะพี่เจ้าบอกว่าเห็นด้วยยังยังไม่ทันไ ม, ไม่เกิดวิปัสะนาแต่ถ้าเห็นตอนตั้งแต่เริ่มจุดเนี่ยพรามันค่อยๆละลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยชีวิตเราก็ละลายไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกขณะไม่ใช่ทุกวันนะทุกขณะแห่งนินาทีเข็มีนาทีาทกระดิกครั้งนึงละลายไปทุกขณะหากเห็นอยู่อย่างนี้อยู่เป็นประจําเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่เราจะเห็นความหมดไปดับไปละไปกระในทิมใจของร่างกาย ความสลายของร่างกายอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นองค์ใหเด็กๆอย่างเงี้ยเดีวก็โตทำไมถึงโตเพราะความเป็นเด็กมันดับไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราเห็นแต่ตอนโตคือความตั้งอยู่มนุษย์เห็นแต่ความตั้งอยู่จึงไม่ได้เห็นความเมื่อไม่เห็นความดับหรือความเสื่อมสลายไปมนุษย์จึงหลงผิดเข้าใจว่าเรามีตัวตน เมื่อหลงผิบัตัวเองมีตัวตนแน่นอนว่าการยึดในทุกขหรือกระบวนการแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในจิตนี้ย่อมสร้างความทุกข์ความเดือดรอให้แก่บุคคลผู้ยึดถืออยู่แน่นอนและเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทุกข์เพราะเขายึดอยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังยึดยึดอยู่ในตัวกายตัวจิตก็ให้ขเขาใจว่าตนเองได้ยึดความทุกข์ไปพร้อมเมื่อได้ยึดความทุกข์ไปพร้อมจะไม่ให้ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ได้เมื่อเป็นทุกข์มาแล้วทํายังไง ถ้าไปแก้ไขด้วยความหลงกิจก็คือไปทําอะไรก็ได้ที่สนองความสุขให้กับตัวเองแต่พระพุทธองค์บอกว่าการแก้ไขให้มันถูกต้องก็คือมารู้กายรู้จิตที่มันตัวทุกข์อยู่แล้วโดวยการยอมรับอ๋อทุกข์เกิดขึ้นเพราะการยึดถืออย่างนี้เพราะความเป็นอย่างนี้เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้การคิดแต่ตรองที่นาหาเหตุผลและทาความเข้าใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันจะทําให้จิตของเราพบกับความสุขในภายในเอง มันกับโยมแมวมาบอกว่ามันสู้พระอ า, าจารย์ทั้งท่านนี้ก็อยู่ปกติมันไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากเดิมเลยชีวิตภายนอกก็ปกติโดนกระทบกระทั่งเหมือนเดิมแต่ทำไมมีความสุขอยู่ในภายในสุขพอได้รู้ความจริงของกายของจิตเนี่ยเห็นไหมทราะมันเกิดความสุขได้ทั้งท่านนี้ก็ยังเจอสภาพทำทุกอย่างสุกกระทบอยู่ตาท า, ทางที่จมูกดิ้นกายใจในที่ทํางานในที่บ้านหรือที่ไหนๆอารมณ์มีอยู่โดยปกติ แต่ถ้าไมมีความสุขได้แต่ตอนนั้นทําไมถึงทุกข์กับมันนักหนาตอนที่ยังไม่มันรู้ความจริงเนี่ยทําไมถึงทุกข์กับมันนักหนาทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์เล่าเพะอพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ท่องความเข้าใจเห็นไหมการการฝึกปฏิบัติธรรมมันมีคุณค่าอย่างนี้หมดแล้วมั้งจะถามอะไรก็มีอยูเท่านี้อะเนาะ นนี่แหละผมองน้อยลงทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่มันเติบโตอยู่ในโลกออนไลน์ <c oughs> ไม่น้อยเละเ <c oughs> ติบโตในโลกออนไลน์ออนไลน์เนะี <c oughs> ย่ยไล์ที่ติดตามกันอยู่ก็หรือไปทำบุญที่ไหนไม่ได้ติดตามก็มาชมกันีนที่หลังก็ได้ เราังน้องวันนี้คิดว่าเราได้ปฏิบัติบูบชาพระพุทธองค์มาพ อ, อสมควรในวันนี้แต่ถ้าที่เป็นไปได้เราไปพี่ที่พี่าตัวเองในรูปประทับและนํามทาทําให้ได้ทั้งวันจัดเป็นการบูชาอย่างดีและอย่างยิ่งการจุดธูปเบียนเทียนยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาสักการะพระพุทธองค์อย่างแท้จริงถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อยู่ในชั้นที่พระอค์ไม่สัตว์สารเสื่อมพระองค์ไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้น ถ้าไม่สารเสรื่อมคือไม่ต้องการให้ทําอย่างนั้นการจุดๆๆุจดุจเทียนแต่เรียกว่าอนุรักษ์ประเธรนี้ก็อนุรักษ์ก็อนุรักษ์ก็ทําไปตามขนบธรรมเนียมแต่ให้แยกให้ออกถึงสาระสําคัญในสิ่งที่ผมประสงค์และต้องการให้เรากระทาในสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องกระทําสิ่งที่เป็นความเป็นพุทธศาสนาที่เป็นพุทธจริงๆให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่จะได้รับการสืบต่อศาสนาไปสู่ ชนรุ่นหลังให้ถูกต้องขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาดามบุญกุศลที่เกิดจากการถวายสังฆทานเมื่อเช้านี้บุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงคําของอาตมาขอบุญทั้งสาประการนี้จงมีมีนุภาพอํานวยอวยพรตอบสนองใหญ้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันนามีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุขัดมีความสุขกายสบายใจ จเจริญด้วยพระมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงหนุนนำจิตใจของญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้เข้าถึงความเข้าถึงความสุขความจเจริญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นจากความทุกข์เข้าถึงนิพพานทุกท่านเทอา มิกิลงป่า